พระบัญญัติ336ภิกพิกูตรต้องอาบัตปาจิตตีเพราะเล่นน้ำเรื่องพระสตระสาวกีจบ